คนที่อยู่ไกลๆนะเขาฟังซีดีหรือเขาดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังเขาก็ภาวนาได้นะจับหลักให้แม่นนะแล้วภาวนาใช้ความสังเกตไม่เข้าข้างตัวเองค่อสังเกตใจของเราไปเร้่อยกิเลสทะเลอกไม่ได้ดีกว่าเที่ยวไปฟังคน น, นู้นคนนี้นะ คนฟังหลวงพ่อนะภาวนาดีๆเที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้เสียเลยก็มีพาออกนอกรูกนอกทางก็มีแต่ว่านนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมหอกธรมารที่มันเพียนเพียนมันเยอะทิ้งหลักที่พระเจ้าสอนคือถ้าเราจะทำวิปัสสนานเราทิ้งการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ได้ ต้องรู้รูปนามเพราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกให้รู้สมูทัยให้ละนิโรธทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญท่านนิยามคำว่าทุกเอาไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คืออุปาทานขันสังคิเตนะปัญจุปาานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปนะอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ คำว่าอุปาทานขันเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็แปลผิดไปแปลว่าขันเนี่ยไม่ทุกแต่เมื่อเราเข้าไปยึดถึงจะทุกเลยเรียกว่าอุปาทานขันความจริงไม่ใช่ขันทั้งหมดนั่นแหละตัวทุกแต่ว่าท่านไม่ท่านแยกมีคําว่าอุปาทานขันแล้วขันมีสองชนิดนะขันที่เป็นอุปาทานขันจะเป็นตัวทุกทั้งหมดเลย ไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปยึดถือจะทุกข์ขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันนี่จิตบางประเภทไม่อยู่ในอุปาทานขันอย่างมากคจิตผ ล, ลจิตบรรดาโลกุตตะธรรมทั้งหลายพนจากทุกไปไม่จัดอยู่ในกองทุกขแต่ยังเป็นขันอยู่งั้นคําว่าอุปาทานขันนั้นเป็นการพูดขึ้นมาเพื่อจําแนกประเภทของขัน ไม่ใช่ว่าอุปาทานขันหมายถึงว่าขันไม่ทุกข์เราเข้าไปยึดเราถึงจะทุกข์เมื่อก่อนหลวงพ่อแปลผิดนะตอนนั้นอย่างเด็กๆเป็นนักศึกษาไปบวชวมาชนประทานส่วนมนแปลสังคีเตนะปัญจุปาทานนัขันทาทุกข่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์แลนึกเอามากง่ายว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์หรอกนคิดอย่างนั้นแล้วภาวนาแล้วพบว่ามันไม่ใช่นะ จะยึดเลยจะไม่ยึดก็ตามนะขันที่พวกเรารู้จักทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยพวกเรายังไม่เห็นขันที่ที่พ้นจากกองทุกข์ต้องเป็นพระริยะถึงจะเห็นมรรคจิตโพลจิตอะไรอย่างเงี้ย น, นะเป็นจิตสีสดวงมรรคจิตยี่สิพลจิตยี่ส เลยยอดลงมาก็มักจจิตสีผ ล, ลจิตสีไม่จัดเป็นกองทุกข์งั้นไม่เอามาทำวิปัสสนาเราของที่เรามีจริงๆร่างกายนี้เราจะยึดหรือจะไม่ยึดร่างกายนี้ก็ทุกข์เวทนาเราจะยึดเวทนาหรือจะไม่ยึดเวทนาเวทนาก็ทุกข์สัญญาเราจะยึดสัญญาหรือไม่ยึดสัญญาก็ทุกข์สังขารคือความปรุงของจิตเราจะยึดหรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์ ตัวจิตเองที่เกิดดับทางทวารทั้งหกเราจะยึดมันไว้หรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์แต่อันนี้เราจะเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งตอนที่จิตจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ละถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรายังรู้สึกว่าถ้าไม่เข้าไปยึดจะไม่ทุกข์ความรู้ความเข้าใจมันจะเป็นลำดับไปนะไม่เหมือนกันหรอกหน้าที่เราต้องรู้ประทานขันคือรู้ขันที่เรามีนี่แหละ หน้าที่ต่อทุกคือการรู้บางคนรู้ในแง่มุมของขันห้าก็ได้นามรูปรูปนามเนี่ยเราต้องรู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมาต้องรู้จนเห็นไตรลักษณของรูปธรรมนามธรรมาถึงจะเป็นวิปัสสนานี่รูปธรรมนามธรรมเนี่ยได้แสดงตัวออกมาในหลายมิติหลายแง่หลายมุมใครจะถนัดมองมุมไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลย มองได้6 ก, กด้านเรียกว่าวิปัสนาภูมิอันแรกมองในแง่ของขันขันห้าก็คือรูปกระนามนั่นแหละแต่แจกแจกออกมาในลักษณะที่เรียกว่าขันห้ามีรูปหนึ่งมีนามสี่นามสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นส่วนของนามธรรมารูปเป็นส่วนของรูปธรรมอันนี้เหมาะสําหรับพวกที่คิดมาก พวกที่ถนัดดูจิตมากกว่าดูกายเราจะแยกรูปนามาเน้นลงไปที่ตัวขันห้าบางคนถนัดรูป ก, กายมากกว่ารู้จิตพวกนี้เรามองขันห้ามองรูปนามในมุมของอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมมีนามธรรมอันเดียวในขณะที่ขันห้านั้นมีรูปธรรมอันเดียว อยู่ที่ความถนัดของเราถนัดรูรปหรือถนัดรู้นามถ้าถนัดรูน้ำนะเราก็จำแนกขันห้าแยกขันห้าถนัดดูรูปเราก็แยกอายตนะหชอบมากๆรูปเยอะๆน้ำเยอะๆจําแนกรูปนามเป็นธาตุสิปเป็นอินรียี่สสองนะหรือมีปัญญาแก่กล้ามากจําแนกรูปนามเป็นเรื่องของอริยสัจ อริยสัจนั้นมีเรื่องของรูปนามจำนวนมากยกเว้นนิโรธเท่านั้นเองที่พ้นจากรูปนามตัวทุกตัวสมุทัยนี่เป็นเรื่องรูปนามนิโรธกัมมรรคพ้นจากรูปนามเป็นมกกรรคกฟบไปตีปทาครับเป็นการเรียนรู้รูปนามจะเป็นอริยมรรคเน้นพ้นจากรูปนาม เรียนเป็นปฏิจจสมุปบาท12ก็ได้ในปฏิจจสมุปบาทสิบสก็เป็นรู ป, ปรนามอีกตัววิชาเป็นนามสังขารเป็นนามวิญญาณเป็นนามนามรูปเป็นรูปนามเนี่ยอายตนะมีทั้งรูปทั้งนามเวทนาตัณหาอุปาทานพบนี่เป็นตัวตัวนามธรรมตัวชาติมีทั้งรูปทั้งนามตัวทุกข์ละความแก่ ความแก่เป็นอะไรชะลาตาความแก่เอาเลยสิรูปแก่หรือนามแก่รูปแก่ <c oughs> นะรวมความแล้วเราเรียนเรื่องรูปกับนามนะเรียนเรื่องรูปกับนามจะแยกมุมใดก็ได้ไม่ต้องเรียนมากเอาด้านเดียวพอ ถนัดแยกขันก็แยกขันไปคนรุ่นเรานะพวกคิดมากคิดมากเนี่ก็ดูขัน5ทํางานไปเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษ์ไปนะทำยังไงเราจะเห็นขัน5ได้ขั้นแรกเลยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปในโลกของความคิดเนไม่เห็นขัน5ถ้าไหลไปเพ่งขัน5อยู่ก็ไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษ์ ถ้าลืมขันห้าก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เรื่องเลยถ้าไม่ลืมขันห้าแต่เพ่งขันห้าอยู่ก็ไม่เห็นใจรักก็ไม่ขึ้นวิปัสนาอยู่ดีต้องเห็นใจรักษ์ของขันห้าเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เพง่งเราต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เผลอไปถ้าเผลอไปลืมขันห้าถ้าเพ่งอยู่นะจิตไปจ่ออยู่ขันห้าแล้วก็นิ่งๆจะไม่เห็นใจรัก งั้สิ่งที่ทําให้เราไม่เห็นใจรักก็มีสองอันเผลอกับเพ่งจิตที่จะเห็นใจรักคือเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องพัฒนาจิตดวงนี้ขึ้นมาก่อนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อตรเวนไปตามสํานักปฏิบัติเยอะเลยไปดูเขาปฏิบัติกันพบเลยถ้าเขาถูกหลักนะก็ใช้ได้สํานักไหนก็ได้ถ้าผิดหลักสํานักไหนก็ผิดเท่านั้นกนระทั่งในสํานักครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะั้นก็ไม่ใช่ทุกคนทําถูก น้อยคนออกที่ทําได้ส่วนมากไม่มีจิตที่ถูกต้องไม่มีจิตที่เป็นตัวรู้วิปัสสนานั้นเป็นการตามรู้ตามเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเราต้องมีจิตผู้รู้ผู้เห็นนั่นแหละไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราต้องพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้ถึงจะไปทําวิปัสสนาได้เพราะงานวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริง คำว่าปัสณะแปลว่าการเห็นปัสเสเห็นะใส่ให้เป็นคำนามเป็นการเห็นมีปัสนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกก็คือเห็นใจรักมีปัสนาจริงต้องเห็นรูปนามแสดงใจรักถ้าเห็นแต่รูปนามเฉยๆไม่เห็นใจรักไม่เป็นมีปัสนาอย่างพวกเราหลายคนภาวนาไปเพ่งลมหายใจลมหายใจเป็นรูปหรือเป็นนาม โอ้คิดนานจังมีเหลือลมหายใจเป็นนามเนี่ยจิตไปเพ่งอยู่กับลมใช่ไหมก็เห็นใจรักไหมไม่เห็นหรอกก็ไม่ใช่วิปัสนาดูท้องพองยุบจิตเพ่งอยู่ที่ท้องเห็นใจรักไหมมันก็ไม่เห็นอีกไปเดินจงกรมจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ามันก็ไม่เห็นใจรักอีกก็ไม่ใช่วิปัสนาเพราะฉะนั้นการรู้รูปนามเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสนา ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแต่ถ้าเผลอนะไม่เห็นรูปนามเลยถ้าเพ่งรูปนามอยู่เนี่ยไม่เห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงรู้มันด้วยใจที่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราทำตัวเป็นคนดูใจเป็นแค่คนดูเห็นรูปประทันามมาทำมันทางานเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอน เห็นใจมันโกรธนะเหมือนเห็นคนอื่นโกรธนะเราเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวกับเราเห็นมันโลภมันหลงเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภมันหลงไม่ใช่เราต้องฝึกต้องพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ซะก่อนถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้เดินปัญญาไม่ได้จริงอย่างจิตที่เป็นผู้คิดเนี่ยเอาไปทำวิปัสนาไม่ได้เพราะปัสนาไม่ใช่วิปัสนาไม่ได้แปลว่าวิตก วิตกนะคิดเอาตรึกเอาวิปั ส, สนาเห็นเอาคนานกันนะคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูณนะสุภะอันนั้นวิตกไม่ใช่วิปั ส, สนานะจะปลักให้แม่นนะแล้วพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาคนในโลกไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงกับจิตผู้เพ่งคนทั่วๆไปมีแต่จิตผู้หลงนักปฏิบัติมีสองงานจิตผู้หลงกับจิตผู้เพ่ง เวลาไม่ได้คิดปฏิบัติก็หลงไปเวลาลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาไว้เพ่งกายเพ่งใจเอาไว้ไม่สามารถขึ้นวิปัสสนาได้ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าที่ไหนมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะใช้กรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดเลยใช้ได้เหมือนกันหมดเลยงั้นมันไม่มีว่าแนวทางไหนดีกว่าแนวทางไหนอยู่ที่เรามีจิตที่มีคุณภาพพอไหมนี่มันอาภัพ ไม่ค่อยมีใครเรียนเรื่องจิตทั้งๆที่บทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะสามบทเรียนบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลพวกเราก็ไม่เรียนเรื่องศีลเราไม่เรียนเราคิดว่าไปถึงวัดนะไปขอศีลห้าท่องมะยังพันเตได้ก็ถือว่ามีศีลนะจบหลักสูตรศีลสิกขามันไม่มีศีลหรอกรับศีลเสร็จศีลก็ล่วงหายตกธรรมาภิยู่ตรงนั้นเลยไม่มีสติไม่มีศีล ถ้ามีสติรักษาจิตเอาไว้ล่ะศีลมันถึงจะมีจริงนี่ต้องเรียนนะไม่ใช่นึกๆไปขอศีลพระถือว่ามีศีลแล้วไม่มีหรอกต้องมีสติกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันถ้ากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันมีเองไม่ต้องมีห้าข้อเลยมีข้อเดียวเองศีลมีอยู่ข้อเดียวจําแนกออกไปก็เป็นห้าข้อแปดข้อสิบข้อ สองอยี่สิบเจ็ดข้อจำแนกออกไปนั้นมีสติรักษาจิตไว้กิเลสเกิดที่รู้ทันไม่ทำผิดศีลหรอกความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปด่าใครไม่ไปทำลายทรัพย์สินของใครไปขโมยของเขาเนี่เพราะอะไรได้บ้างเพราะโลภไหมเพราะโกรธก็ได้แกล้งขโมยของมันโกรธมันเพราะโทสะก็ได้ ถ้าโทรศัท์เกิดเรารู้ทันนะไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปทำลายทรัพย์สินเขาไม่ไปขโมยเขาไม่ไปเป็นชู้กับเมียเขาเป็นชู้กับเมียเขาเพราะโทรศัพ์ได้ไหมได้เกลียดผัวมันแกล้งมันจีบเมียมันซะเลยก็ทำได้โกหกละ่ะโกหกเพราะอะไรได้บ้างโกหกเพราะโกรธได้ไหม พูดคําหยาบไปด่าเขาพูดส่อเสียดให้เขาแตกกันอิจฉาริษยายุให้เขาแตกกันอันนี้ตระกูลโทสะโกหกเพราะราคะได้ไหมเวลาจีบสาวนั่นแหละเนี่ยทํามาทํานั่งคิดมากโอ้คุณสวยที่สุดในโลกโอ้แค่นี้ก็โกหกแล้วสวยอะไรนักหนานะคุณน่ะดียังเลยดีที่สุดเลยนี่ก็โกหกอีกล้ว จะรักคุณนิรันดอนนี่ก็โกโหกอีกแล้วมันเที่ยงหรอความรักอ่ะไม่เที่ยงหรอกเวลาหนุ่มจีบสาวสา ว, สาวจีบหนุ่มนะไปดูเธอมูสาวาดชัวเลยถ้าไม่มูสาวาดล้วก็เดินไปหาสาวดูก่อนน้องหญิง <c oughs> <c oughs> ร่างกายของเธอนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆก้ารูมีรวรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศกโรครกไหลออกมาเป็นนิดเราอย่าแต่งกันเลย ลองทายไม่ต้องลงอย่างนั้นนะไปชวนแต่งงานต้องมูสามูสาเพราะอะไรได้อีกพระโมหะได้ไหมฟุงส่านพูดเพ้อเจอ้อพูดเพ้เอเจ้อก็ตัวนี้ตัวร้ายเลยพูดเพ้อเจ้อหมายถึงพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเราลองสำรวจดูวันวันหนึ่งเราพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะขนาดไหนเยอะมากนะ เยอะมากเลยเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะศีลมันเกิดเองอ่ะมันไม่ทําผิดศีลห้าหรนะเรียนเรื่องศีลแจมแจ้งแล้วมาเรียนเรื่องจิตมาสังเกตจิตมาเรียนรู้จิตเบื้องต้นอาจจะหาอารมณ์กรรมฐานอันนึงมาเป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรงนี้ก็ได้ แล้วค่อยรู้ทันจิตไว้ถ้าจิตไหลไปสงบรวมเข้ากับลมหายใจรวมเข้ากับท้องพองยุบรวมเข้ากับอารมณ์มันเดียวนี่จิตลักษณะนี้เป็นสมถะจิตที่ใช้ทําสมถะถ้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่จิตมีสมาธิชนิดที่จะใช้ทํำวิปัสสนาเพราะนนการเรียนรู้จิตนะเรียนเรื่องจิตจิตสิกขาเนี่ยเราจะได้ความรู้หลายตัว อันแรกเราแยกออกว่าจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลถ้าคนไม่เรียนนะจะเอาอกุศลและจิตนี่แหละไปเจริญปัญญาอย่างจิตกำลังโลภอยู่นะแล้วบอกไปทำวิปัสนาเอาจิตโลภไปทำวิปัสนาจิตโลภไม่มีคุณภาพที่จะทำวิปัสนาหรือนั่งบังคับตัวเองจนเครียดไปหมดเลยมีแต่จิตโกรธนะจิตมันเครียดจิตที่เครียดนั้นคือจิตที่เจือด้วยโทสะ ล้วไปนั่งดูกายดูจิตแบบเครียดเครียดเวลาดูกายดูจิตใครรู้สึกเครียดเครียดไหมเป็นทุกคนหัดใหม่ๆเป็นทุกคนเลยเอาละต่อไปนี้จะเริ่มดูแล้ดูแล้วหนีไปเหรอโมโหมันนะเนี่ยจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลเ้าไปทำวิปัสสนาไม่ได้สมถะ ย, ยังไม่มีเลยงั้นเรามาหัดสังเกตจิตตัวเองไปเลยจิตที่เป็นอกุศลนะ มีราคามีโทสะมีโมหะจิตที่เป็นอกุศลนัมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทึ้งมันเกลียการ้ารานก้าวร้าวรุนแรงมันเสื่องซึมจิตที่เป็นกุศลนะมันเบามันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันคล่องแคล่วว่องไวมันซื่อตรงในการรู้อารมณ์มันไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะรู้ได้ไงว่าไม่มีราคะเราต้องรู้จักราคาให้ชำนี้ชำนาญ หัดดูใจของเราเนี่ยจะรู้จัก ร, ราค้าหน้าตาอย่างไงหัดดูใจจนชำนิชำนาญว่าโทสะหน้าตาเป็นไงโมหะมันมีแบบไหนบ้างหัดรู้สภาวะให้ชำนิชำนาญ น, นะเราถึงจะแยกออกว่าตอนนี้จิตเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนะทีแรกก็ต้อแยกหยับหยับก่อนนะแค่ไม่มีราคะโทสะแรงๆนะโมเมเอาว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลไว้ก่อนเนะดาๆเอาไว้ก่อนที่จริงยังหาจิตที่เป็นกุศลแท้ๆนะ่ะหายากที่สุดเลย ส่วน ม, มัมนจะเจือด้วยโมหะอัจเรียนไปนะเรียนรู้สภาวะไปราคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลาราคะเกิดเนี่ยจิตมันจะไปดึงอารมณ์เข้าหาตัวเองมันจะอยากได้ดึงเข้ามาเวลารักสาวหรือรักลูกรักลูกรู้สึกไหมอยากดึงเข้ามาใช่ไหมเห็นหน้าสามีกำลังมันไส้อยากผลักออกไปอันนี้โทสะหเห็นลูกมันน่ารักอยากดึงเข้ามาอันนี้ราคะ งั้นอาการของราคะนะคือดึงเข้ามาอาการของโทสะนะคือผลักออกไปเนื้อใจเราเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ผลักดูออกไหมหัดดูไปโมหะเนี่ยประเภทหมุนซ้ายหมุนขวาดูอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยสังเกตดูใจของเราแต่ไปพอชำนิชำนานนะกิเลสอะไรนิดหนึ่งขึ้นมาเราก็รู้ทันนะ้วอันนี้มีประโยชน์มากเลยเราจะรู้เลยว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศล การเรียนเรื่องจิตไม่ใช่แค่รู้ว่าจิตเป็นกุศลเรื่องอกุศลต้องเรียนให้ลึกซึ้งลงไปอีกจิตที่เป็นกุศลยังมีสองประเภทจิตที่เป็นกุศลบางอย่างนะเอาไว้ทาสมถะจิตที่เป็นกุศลบางอย่างเอาไว้ทำวิปัสสนาจิตที่เป็นกุศลทำสมถะคือมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมันยังมีจิตที่เป็นกุศลอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่าสาธรณกุศลกุศลทั่วๆไป อยากทาบุญอยากใส่บาตรอยากฟังเทศอะไรเนี่ยเนี่ยจิตมันมีชันทะในการจะทําสิ่งดีๆก็ถือว่าเป็นกุศลเหมือนกันอนุโลมเอาเนะนะส่วนถ้ากุศลชั้นเลิศเนะีเป็นจิตที่ใช้ทําสมถะใช้ทํำมิปัสนานะจิตที่ใช้ทําสมถะนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นห น, หนึ่งต่อหนึ่งนะเช่นอยู่กับพุโทโธก็ไม่ทิ้งพุโทโธไปไหนเลยอยู่ยกับพุโทโธอย่างเดียว จิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่วอกแวกไปที่อื่นอยู่กับลมอย่างเดียวนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งทีก็ไหลเข้าไปเกาะกันทีก็แยกกันใครเคยเห็นอย่างนี้มั้งเดี๋ยวก็รวมเข้ามาเดี๋ยวบางทีก็แยกออกได้รวมเข้ามาเนี่ยตัวนี้เข้ามารวมตัวนี้หรือตัวนี้เข้าไปรวมกับตัวนี้ mm. ตัวไหนไปรวมกับตัวไหนเออเอาเราสิตัวนี้เคยไหมวิ่งมารวมกับตัวนี้ไปหั ด, ดูซะเคยเหมือนกัน <laughs> มีเหมือนกัน มีทั้งสองแบบเลยแต่ถ้ารวมเข้าไปด้วยกันนะหรือแยกแต่ว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะสมถะสมถะอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิสมถะอย่างนี้นะเป็นสมาธิที่ดีไม่ขาดสตนะิยังมีอีกแบบหนึ่งสมาธิอีกแบบหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนนะจิตอย่างนี้แหละที่เราจะใช้ทํำวิปัสสนาจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีฝึกให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือหาอารมณ์มันเดียวมาล่อจิตนะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขจิตพอใจกับพุทโธก็อยู่กับพุทโธเรืร่อยไปจิตก็รวมกับพุทโธนะได้สมถะอีกอันหนึ่งจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันส่วนมากจะไหลไปคิตจิตไหลไปแล้วรู้นะ่ะมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอารมณ์จะไหลมาไหลไปแต่จิตนั้นเป็นคนดูอยู่ เหมือนเราอยู่ริมตลิงตอนนี้น้ำแม่น้ำเยอะใช่ไหมมีอะไรลอยน้ำมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคงไม่ใช่น้ำใสสะอาดลอยมาเฉยๆหรอกดีไม่ดีมีศพลอยมาด้วยซ้ำไปตอนนี้คนตายเยอะอาจจะดําน้ำมาจากสิงบุรีเพื่อมาโผล่เอาหน้าบ้านเราอเงี้ยนะเราเราอยู่บนบกเราเห็นสิ่งทั้งหลายไหลผ่านหน้าเราไปเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามาทําไหลผ่านหน้าไปเราเป็นคนดูอยู่ตาหากแยกออกมาอยู่ เนี่ยจิตชนิดนี้แหละเอาไว้ทํำวิปัสนางั้นเราต้องมาเปลี่ยนเรื่องจิตให้ดีนะบางคนนะ่อาภัพที่สุดเลยบอกลงเพร่ะประโมทสอนเรื่องจิตไม่ถูกต้องสอนเรื่องกายก่อนอันนี้ไม่รู้เลยว่าบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่สองชื่อจิ ต, ตศิกขาต้องเรียนเรื่องจิตก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพไปดูกายหรอกถ้าเราพัฒนาจิตเจอทั้งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วนะ ถัดจากนั้นเราถึงขั้นเจริญปัญญาบทเรียนที่3คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะรู้รูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ต้องการเห็นตรงนี้เราจะเจริญปัญญาได้นะถ้าหากเรามีสติรู้รูปรู้นามรู้ตามความเป็นจริงคือไม่เข้าไปแทรกแซงนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าทำได้อย่างนี้นะปัญญาจะเกิดมันจะเห็นความจริงของรูปของนามได้จิตมันเป็นแค่คนดูรูปนามนั้นแสดงละครให้จิตดูจิตเหมือนคนดูละครรูปนามเป็นตัวละครผลัดกันมาแสดงเดี๋ยวตัวดีมาเดี๋ยวตัวร้ายมาเดี๋ยวตัวสุขมาเดี๋ยวตัวทุกข์มาเดี๋ยวรูปประธรรมมาเดี๋ยวนามมาทำมามันแสดงให้เราดูเราเป็นคนดูเฉย ถ้าเราดูได้อย่างนี้เราก็จะรู้เลยตัวละครทุกตัวเมื่อออกมาแสดงแล้วไม่นานก็ต้องไปมีไหมตัวละครที่ไม่ยอมเข้าไปในโรงเลยมีไหมเราคงไม่ดูหรอกมันต้องไหลไปเรื่อยเปลี่ยนตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปหมุนเวียนไปเรื่อยดูไปดูไปถึงรู้เลยโลกนี้เป็นโรงละครเท่านั้นไม่ได้มีจริงหรอกนะขันทั้งหลายที่แสดงละครให้เราดูนะแค่ตัวละครหลอกหลอก เมือเราดูละครเรารู้แล้วละครไม่ใช่เรื่องจริงเราเห็นขันห้าแสดงละครเรารู้เลยนี่มันแค่สมมุติขึ้นมาแค่ตัวหลอกๆขึ้นมาใจไม่ไปหลงยินดียินร้ายในขันห้านีใจจะคลายความยึดถือในขันห้าออกถ้าใจไม่ยึดในขันห้านะก็ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเองทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่ยึดตรงนั้นไม่ยึดเพราะปัญญาไม่ใช่ไม่ยึดเพราะน้อมใจให้ไม่ยึดไม่ใช่ไม่ยึดเพราะเจตนาไม่ยึด แต่จิตมันไม่ยึดของมันเองเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายลนะ้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้เขาถึงไม่ยึดเขาไม่ยึดของเขาเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีใครทําได้จิตเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองเมื่อปัญญาของเขาแก่รอบพอ หน้าที่ของเราก็คือเกื้อกูลให้จิตได้เรียนรู้ความจริงเรามาฝึกพัฒนาสติมาฝึกพัฒนาสมาธิให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะมีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยไปปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญามันแก่รอบแล้วนะจิตเขาจะบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองนะเขาเป็นเอง ไม่ใช่กูเก่งกูสั่งจิตให้มันรู้มรรคผลได้ไม่มีใครทำได้หน้าที่ก็คือเปิดโอกาสให้จิตได้เรียนรู้ความจริงของรูปนาะมด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะจับหลักให้แม่นนะจะได้ไม่พลาด ถ้าจับหลักที่หลวงพ่อบอกได้นะใช้กรรมฐานอะไรก็เหมือนเหมือนกันแหละใช้ได้แทบทั้งนั้นถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยรูปด้วยนามเราใช้ด้วยด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่เกินรูปเกินนามออกไปก็ใช้ไม่ได้นะแล้วรูปนามที่จะใช้นะแนะนําต้องเป็นรูปนามภายในหลวงพ่อไปเจอพระไตปิฎกพระสูนจําเล่มไม่ได้ลนะภาษาริบุตรนะ ก้รพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะต้องรู้ธรรมภายในนี่ยสิ่งที่เรียกว่าธรรมภายในก็คือสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละไปรู้ของคนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกในทางทฤษฎีนะบางคนแกท่ทฤษฎีบอกรู้รูปนามภายนอกก็ได้มันไม่ล้างกิเลสนะเห็นแต่ของนอกไม่เที่ยงแต่กูว่าเที่ยงยเห็นย่างนี้ดงนั้นย้อนลงมาจนกูไม่เที่ยงแล้วของนอกก็ไม่มีความหมายพอไหวไหม นิเทศให้ฟังหน่อยเพราะไหนๆก็มาเข้าคอร์สทั้งทีเมืกลับออกไปก็แบงคแบงนะหรื อ, อยังเพ่งอยู่เหมือนเดิมนะทําตัวเป็นคนดูละครนะดูกายนี้แสดงละครดูใจนี้แสดงละครดูกายแสดงละครดูไงเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราดูละครเหมือนเราดูคนอื่นเล่นนะ่นะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเหมือนเราดูคนเราอื่นเหมือนเราดูละครมืนหายใจนะ ดูจิตใจมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วเหมือนดูละครตอนนี้นางอิจฉามาและ้ะตอนนี้พระเอกมาแล้วพระเอกนี่เป็นตัวกุศลหรืออกุศลทำไมพระเอกต้องเป็นกุศลวะพระเอกเป็นโจรมีไหม <laughs> พระเอกไม่มีตัวถาวรอก น, นะเราไปเรียกเอาเองต้องเรียกตัวเอกตัวเองในขนานั้นอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ในจิตเราเนี่ยมีตัวเอกทีละตัวนะ ตัวที่เป็นตัวเอกหมายถึงเป็นตัวซึ่งมีอิทธิพลเหนือตัวอื่นๆในขณะนั้นในเวทีละครเนี่ยบางทีตัวตลกมีอิทธิพลมากกว่าพระเอกนางเอกอีกนึกออกไหมกำลังมีบทบาทเด่นอยู่เนี่ยเราก็รู้ทันรู้ตัวที่มันเด่นนะมีบทบาทหลักเรียกว่าเป็นอธิบดีปัจจนะัยเป็นตัวที่มันมีอิทธิพลอ่ะต่อไปตรวจกันบ้าน มาสการครับหลวงพ่อก็ใจมันเบากว่าอยู่ข้างนอกครับอะไรนะใจมันเบาลงครับเอแล้วก็มีกำลังฐานไหมตอนนี้มันอยู่ข้างในหรือมันออกนอกตอนนี้ยังยังอยู่ฟุ้งๆอยู่ครับเออให้รู้ทันนะไม่ว่ามันรอกแค่รู้มันแต่ยังแทรกแสงอยู่ครับอืมนะต้องรู้ด้วยความเป็นกลางครับถ้าแทรกแสงก็แสดงว่ายังขาดคําว่าเป็นกลางครับนะ รู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิต ท, ที่ตั้งมั่นก็คือมันดูอยู่ต่างหากมันไม่ไหลเข้าไปรวมกันมันเป็นกลางไม่ยินดียินร้นายคือมันอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าครับใช่ใครอยู่แต่หน้าหลวงพ่อก็เก็งนะครับอรับต่อไปครับดูดูมันนิ่งกว่าความเป็นจริงครับไม่รู้ว่ามันนิ่งจริงๆหรือว่าเราไปคอยจ้องมันครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น นิ่งจริงๆครับเพราะว่าเริ่มแยกออกแล้วครับแล้วว่าจ้องกับดูครับตอนนี้มีประคองไหมขณะเนี้ยอ๋อหนึ่งออกแล้วครับเออไม่ออกแล้วผ่านรับนัำปการครับอนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งท่านี้ไม่ถนัดเดี๋ยวแข้งขาพิการเดินไม่ได้นะ เห็นไหมธาตุขันมันแยกกับจิตเห็นบ้างไหมไม่แน่ใจครับทําไมไม่แน่ใจล่ะเห็นไหมร่างกายมันอ้าปากเห็นไหมร่างกายมันขยับนีมันไม่ใช่จิตนะคนละอันกับจิตนั่นแหละขันมันแยกอ๋ออย่างนี้เองครับอืครับคือทั่งความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันก็แยกออกจากจิตเห็นเห็นเหมือนกันครับนั่นแหละเราดูไปนะต่อไปสติมันไปรู้กายเมื่อเห็นกายไม่ใช่เรา สติไปรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราไปรู้สังขารเห็นสังขารไม่ใช่เราไปเห็นจิตเฮ้ยก็เห็นจิตเกิดเกิดดับๆับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรดูมากๆเนี่ยคือการพาให้จิตเรียนรู้ความจริงจนมันเกิดปัญญาของมันเองเราได้แค่ทําอย่างเดียวใช่ไหมครับทําอย่างนี้แหละแต่ว่ารักษาศี่หเป็นฐานไว้นะทุกวันทําในรูปแบบเพื่อให้จิตมีกําลัง ถ้าจิตไม่มีกำลังจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันจะไหลหล่นแอกลงไปรวมเข้ากับอารมณ์ถามหลวงพ่อแล้วกันครับเวลาเดินชงกลมเนี่ยมันมีจะสังเกตว่าความรู้สึกตัวตอนเดินชงกลมครับมันจะดีตอนที่เริ่มต้นกับตอนปลายทางไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะไปฟุง้ง อ, อ, อันนี้เรารู้ทันอย่างเดียวนี่มันถ้ามันฟุ้งนะเราก็หยุดรู้สึกตัวถือว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเดินใหม่ เราะเราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินหน้าหัวจงกลมท้ายจงกลมนะเดินไปด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้ขาดสติฟุ้งไปแล้วยืนเลยรู้สึกใหม่รู้สึกแล้วเดินอีก ค, อคุณหมอเชิญ ก, ก็มีฟุ้งฟุ้งบ้างครับแล้วก็บางครั้งต้องการให้สงบก็เลยบังคับว่าหลวงพแต่ก็ตอนนี้เข้าใจว่าแรงไม่ค่อยเยอะมันก็มัวมัวหน่อย บ, บับงคับบังคับนิดๆดได้นะอย่าบังคับแรงถ้าบังคับแรงจนจิตเครียดจิตจะไม่สงบเลยแทนที่จิตจะได้พักผ่อนเนละจิตเหนื่อยนั้นเราไม่บังคับแรงแค่จงใจนิดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ดีกว่าฟุงา้งซ่านจะตึงไว้หน่อยหนึ่งดีกว่าฟุงา้งซ่านแต่ถ้าตึงมากใจไม่สงบไม่สบายอ่ะก็เห็นมันหลงไปคิดแล้วก็หลงไป ไม่ใช่หรอมันโมโหเห็นเห็นอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธกแดที่จิตไปคิดแล้วหรือโกรธเรื่องอื่นโกรธเลยค่ะเห็นเห็นที่มันอารมณ์โกรธแต่ว่ามันมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยมันโกรธไปห้ามมันไม่ได้เนี่ยก็แค่รู้ทันว่าจิตมันไม่ชอบแล้วนะรู้ลงไปเรืยจิตมันดีดีร้ายอ้าวหนูเนี่ย โอยอย่าไปแกล้งเด็กเลยเดี๋ยวเด็กเลยกลัวพระไปอา้าวต่อไปใครมีความจำเป็นจำเป็นนะกับนรรศการหลวงพ่อค่ะคือเดิมทำสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่ า, อาตอนนี้ก็พอเริ่มทำได้บ้างแต่ว่ า, เ, าเรียนกับหลวงพ่อนะสุดท้ายทำสมาธิได้นะค่ะสาธุค่ ะ, คะแต่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่า คือหนูทําถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นก็คือทําตอนกลางคืนแล้วพอทําแล้วมันก็แบบแทนที่จะนอนได้มันก็ดูอื้อเลยดูตื่นตื่นนอนไม่ค่อยหลับก็เลยไปหายาที่ง่วงๆวงมากินจ ะ, ออ จ, ะจะได้พรุ่งนี้ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้ทําผิดหรือเปล่าเพราะว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะเกร็งเกรงคอเกินไปหรือเราวันนั้นเราจะใช้คอเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอ๊ะหนูทําถูกหรือเปล่าออก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยสงสัยรู้ไปสิ เวลาจิตมันมีพลังนะมันเหมือนไม่ค่อยหลับหรอกแต่บางทีร่างกายหลับนะแต่จิตมันตื่นอย่างนี้ก็มีก็ไม่ต้องไปหายา ม, มากินก็ไม่ต้องหรอ ก, กสบายทําใจอย่างนี้สิถ้าอยากหลับจริงๆนะทําใจว่าโอ้วันนี้บุญแล้วไม่ง่วงเลยเราจะได้พอนาโต้รุ่งทําใจให้สบายจะพอนาโต้รุ่งนะห้านาทีก็หลับแล้วอ๋อคือ <laughs> <laughs> ตอนนั้นกลวว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ร<ถ>ันน็น่ปทำกัำงวลยิ่งไม่หลับหรอกอ๋อก็คือ อย่างนี้ก็คือไม่ไม่ใช่มียหลงพ่อไม่เห็นกังวลเลยว่าจะนอนไม่หลับนะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยหลับอนอนนะกลางคืนนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนหลยแล้วตอนเช้าเราทำงานได้ได้ปกติทำงานดีด้วยอืมค่ะสักการณ์ค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปให้เพ่งไว้นิดนิด เพรวนิดๆแล้วเอานิดๆแต่ก็คือก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะฟุ้งน้อยลงไหมไม่น้อยลงแต่ว่าเห็นบ่อยขึ้นนั่นแหละดีนะดีแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆคือเพ่งนิดๆมันดูสิถ้าเพ่งแรงนะใจจะแน่นมากถ้าเพ่งเบาๆนะใจก็แน่นน้อยๆถ้าใจมันฟุ้งมากก็เพ่งเบาๆไว้ก่อ น, นค่ะตึงไว้นิดหนึ่งดีกว่าหย่อน แล้วก็มีคําถามที่อยากจะเรียนถามพรวงพ่ก็คือว่ า, อาจิตที่ถึงฐานในระหว่างวันที่เรารู้ตัวในในชีวิตประจําวันกับจิตถึงฐานตอนที่อยู่ในสมาธิมันเหมือนกันไหมคะคือ <c ười> ถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยนะมันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลา <c ười> 是是ตอนที่เราทําสมาธิมันเหลืออารมณ์ทางใจอันเดียวใช่ไหมเพราะฉั้นเวลาตั้งมันจะแนบแน่นกว่า อย่นั้นมันต้องคอยทํางานอยู่เด้วยแต่ว่าพอกระทบทางตาไม่ไหลไปทางตานะกระทบทางหูก็ไม่ไหลไปทางหูแต่มันจะไม่ประนีตลึกซึ้งเหมือนตอนอยู่ในอารมณ์มันเดียวตอนนั่งสมาธิคือหมาว่าจริงๆมันก็คือความรู้สึกคือจริงๆมันเหมือนคือจิตถึงฐานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นจิตถึงฐานที่มีสมาธิด้วยใมีสมาธิาที่จิตที่ถึงฐานนั่นแหละคือจิตมีสมาธิแล้นี่สมาธิมีทั้งสามระดับ สมาธิที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะกระทบทางตารู้สึกกระทบทางหูรู้สึกใจไม่ไหลไปนะเป็นขณะขนะเผลอเมื่อไหร่ก็ไหลไปนะส่วนตอนที่เราทําในรูปแบบเป็นอัปปนาสมาธนะิเป็นอุปจาราสมาธิมันไม่สายอย่างนั้นแต่ใช้ได้ทั้งหมดนะ ถ้าจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเราชำนาญในการดูจิตเนี่ยเราเดินวิปั ส, สนาในสมาธิได้ถ้าไม่ชำนาญ น, นะจิตถอยมาอยู่ในอุปจาระนะแล้วมาเดินปัญญาในอุปจาระอีกอย่างนี้ก็ได้อีกพวกหนึ่งทำสมาธิถึงอัปปนาออกจากอัปปนานะมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยแต่อาศัยกำลังที่จิตสงบจากการทำสมาธิแล้วมาพิจรารณากายอย่างนี้ก็ได้ไปดูจิตไม่ดีแลมาดูกายเพราะจิตมันสงบเกินไป เข้าสมาธิลึกๆมาออกมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนิ่งๆมาดูกายค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเหมือนตัวเองที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับคือน่าจะดูความอยากหรือความไม่เป็นกลางดีถ้าเห็นนะถ้าเห็นเอาตรงเนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเลยถ้าจิตอยากบ่อยๆจิตไม่เป็นกลางบ่อยนะเอาตัวนี้เป็นเครื่องอยู่เลยคอยรู้ทันบ่อยๆไป ถ้ามันรู้สึกว่าคืออย่างจิตที่อยากก็คือทุกครั้งที่จิตที่อยากมันคือทุกก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ที่เราดูได้ได้อันนั้นก็คือการใช้สติปัฏฐานบทที่ว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนั่นเองนะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเวลาเรียนกรรมฐานจะเรียนเป็นคู่เรียนถ้าเราดูจิตที่มีราคานะนั้นเราก็จะรู้จักจิตที่ไม่มีราคะด้วยก็คู่กัน จะเห็นเลยว่าจิตสองชนิดเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตที่มีราคาพอเกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันก็ดับไปกลายเป็นจิตไม่มีราคาพอกระทบอารมณ์ใหม่เผลอใหม่ก็จิตมีราคาขึ้นมาอีกจิตที่ไม่มีราคาก็ดับเกิดจิตที่มีราคาขึ้นแทนเนี่ยจะดูนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเราอาศัยจิตที่อยากบ่อยๆเนี่ยเอามาทากรรมฐานเลย ทั้งวันมีแต่จิตอยากกับจิตไม่อยากออกับเรนหลวงพ่อครับครับเ อ, อผมก็ปฏิบัตออิดูกายดูใจมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าถนัดดูกายมากกว่าครับช่วงนี้ก็งานเบาลงก็เลยเหมือนไปหลงโลกเยอะหน่อยครับเอาครับนื<ต>่อว่างานเบาลงเลยดูกายได้เยอะขึ้นเพ <laughs> ระ <laughs> าะว่ถ้างานหนักมันเหมือนมีเห็นทุกข์เยอะครับก็เลยขยันหน่อยฮะ ก็มีคำถามสงสัยคือคือสองเดือนก่อนผมได้ไปส่งการบ้าน อ, อาจารย์กรรมฐานท่านนึงครับแล้วพอดีผมก็ยังไม่มีโอกาสคุยกับท่านมา ก, ก็เลยยังมีข้อสงสัยติดมาอยู่นะฮะก็เวลาผมเห็นลบกดหลงครับแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่า เ, เข้าใจว่าเนเจอร์ผมอะ่ะเป็นคนไม่ชอบอะไรที่จุกจิกแล้วก็ดีเทลพวลาเห็นลบกดหลงเนี่ยก็เลยดูเหมือนจะไปเห็นแบบแตะ เหมือนเขาไม่ได้เข้าไปศึกษามันแบบละเอียดะฮะอันนี้มันจะเป็นปัญหาในการพัฒนาต่ออะไรไหมครับคือดูก็รู้ให้มันชัดๆนะรู้จนเห็นความจริงของมันถ้าเราดูฉับช่วยเกินไปเราไม่เห็นมันเกิดดับแค่แตะ น, นี้ทิ้งไปทิ้งไปเลยนะเรียนรู้ไปก็เห็นเลความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นมันมันหายไปก็เห็นมันแต่ว่าเบื้องต้นถ้าไม่ชํานาญในการเป็นเพ่ง แต่ดีกว่าแตะอย่างเดียวนะแต่แต่แตะไปเรื่อยเดี๋ยวจับมันไม่ติดสะงอันจะไม่เห็นดับอืจะไม่เห็นดับครับเห็นถ้าเกิดวิธีเพิ่มเอเหมือนให้มันแตะลึกขึ้นนี่ทำยังไงครับเพราะบางทีผมรู้สึกว่าผมก็รู้สึกตัวแต่ว่าไอ้ตอนเหมือนเหมือนไปแตะแตะเหมือนรู้สึกตัวแว่าสมาธิเราไม่พอนะไม่พอใช่ไหมครับเพิ่มสมาธิขึ้นใจไม่ตั้งมั่นอ่ะครับใจมันเบาไป รู้สึกไหมรู้สึกครับใจมันเบาเกินไปครับทำความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวนะถ้าเข้มมากไปเดี๋ยวเสียทำความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นนิดหนึ่งเข้มเข้มมากไปนี่คืออาจจะไปติดเพ่งหรือเปล่าครับใช่มันจะเพ่งแรงไปครับคือสมาธิเราไม่พอไงเราก็เพิ่มสมาธิแต่ถ้าเพิ่มมากไปมันกลายเป็นเพง่งครับขอบคุณมากครับ มาสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนนะคะก็สี่เดือนมานี้ก็เดินเดินจงกรมช่วงเย็นนะคะทาที่จะเดินได้ตอนเดินไปกินข้าวได้เดินไหมเออให้ได้ทั้งวันสิก็เดินจงกรมก็จะดูอารมณ์ที่ชัดนะคะอะไรอะไรชัดก็จะดูวันนั้นจะเห็นจะเห็นอนั้นชัดแล้วก็ ช่วงเดือนที่แล้วหลวงพ่อเทศเรื่องการดูรูปที่เป็นาธาตุนะคะที่เป็นาธาตุดินน้ําลมไฟก็ก็ลองไปดูค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วจิตมันก็สงบง่ายง่ายกว่าอกืก็ก็บางช่วงก็ดูแบบนี้ค่ะได้จะเห็นาธาตุเป็นไตรลักษณ์ไหม<อ>คือถ้าเราไปเห็นาธาตุเฉยๆน ะ, ะจะเป็นสมถะจิตสงบเฉยๆนะแต่ถ้าเราเห็นาธานตะุนั้นแปรปลวนไปเรื่อยๆ ถึงจะเป็นใจลักเป็นมีใจลักถึงจะเป็นวิปัสนาเป็นแบบไหนล่ะเห็นแบบแรกค่ะเออแบบแรกได้สมถาก็ทําให้จิตสงบแล้วก็จะได้เอาไปดูอย่างอื่นได้ได้อย่างนั้นฉลาดคือเราทําสมถะเรารู้ว่าทําสมถะก็ดีอย่างนี้ก็ดีนะแต่ถ้าทําสมถะอยู่เรานึกว่าทํำวิปัสนาอยู่ไม่ดีเลยแล้วก็พอจะเห็นพอพอจิตสงบก็จะเห็นพวกอารมณ์ขุนมัวอารมณ์อะไรก็จะชัดเอออย่างนั้นดีนะ นั่นแหละพอจิตมีกําลังนะมีสมาธิสงบพอไม่เห็นอารมณ์ชัดน ะ, ะไม่ได้เห็นแต่แต่น ะ, ะแต่แต่นั้นสมาธิเราไม่พออหนูต้องเพิ่มเติมตัวสมาธิด้วยหรือว่าตัวอื่นสมาธิ ห, ห, หนูกําลังพอดีน ะ, ะทําไประดับเนี้ยขอบพระคุณค่ะแต่ต่อไปต้องเพิ่มกว่านี้นิดหน่อยนะตอนนี้ขนาดนี้ยังพอได้นมัส ก, การครับเ อ, อจะ มาลาบวชครับหลวงพ่อจะบวชเดือนหน้าเหรอครับดีดีแล้วก็มีสึกไหมศึกครับหาสึก <c oughs> อีกเหรอ <c oughs> ก็ยังดีได้บวชพอดีว่าไปศึกษาต่อต่อตางประเทศมาเลยไม่ได้มาส่งปีครึ่งอะครับ <c oughs> ทีนี้ช่วงที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยมากระทบแล้วก็เป็นโทสะแรงๆที่เกิดประจําครับมันก็หายไปก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเหมือนเราเปลี่ยนไปนะ แต่พอกลับมาเนี่ยทำให้รู้ว่าไอ้นิสัยขี้โมโหเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการที่เรากระทำกับมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเออนั่นแหละคือมันเป็นผลของการปฏิบัตินะจากเดิมเนี่ยก็จะเถียงกลับหรือว่าด่าทันทีเลยเออแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ชัดมากคือมีงอแ ง, ง, งกับแม่นิดหน่อยออแล้วก็เลยเห็นตัวเองเนี่ยเถียงแม่ในใจเนี่ยสมรอบแต่ยังไม่ยอมพูดออกไปเอ อ, เ อ, อดีนะ อย่างน้อยก็บาปน้อยลงก <G ül> <G ül> ็รู้สึกมันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนั่นแหละส<ถ>ติเราดีดาขึ้นสติเราดีขึ้นนะสมาธิดีขึ้นขันแยกหรือยังดูออกไห ม, มเออไม่รู้ว่าจะนิยามว่าเป็นอะไรครับหลวงพอ่อแต่คือบางทีเนี่ยเราเห็นว่ากำลังฟุ้งๆอยู่หรือว่ากำลังเดินใจลอยเนี่ยบางทีขยับขาหรือขยับตัวนิดนึงปุ๊บ มันดับแล้วมั น, น, นก็เปลี่ยนมาเห็นตัวนั่นนั่นนั้นดีนใช้<ล>ได้แล้วกับมันมีนี่เอ อ, อีกอย่างนึ่งที่อยากถามว่าบางทีเรานั่งๆั่งอยู่หรือทําอะไรแล้วฟุ้งลอยไปเนี่ยแล้วบางทีมันเผลอกระพริบตาหรือหลับตาแล้วมันก็ดับแล้วมันก็รวมเข้ามาในตัวออได้ทีนี้ไอ้อย่างเนี้ยถือว่าเราเหมือนพยายามไปจงใจหรือเปล่าที่จะทําให้มันต่อเนื่องไปอในขั้นถัดมานะครับอย่าไปจงใจสินะ เราแค่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไปแล้วมันจะเป็นเองเราจงใจให้มันเป็นมันจะเป็นการเพ่งนะแล้วมันไม่เกิดดับแล้มันจะนิ่งๆที่ทำมาดีนะมันถึงจะเกิดสภาวะอย่างที่ว่านี้ครับไม่ทำอีกนะกราบนมชัชการหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีครับ ข้าที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูการเคลื่อนไหวของกลายแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปก็กลับไปก็ไปเดินวันละประมาณสี่สิบ้านาทีที่เหลือก็ดูในชีวิตประจำวันครับก็มีสติมองเห็นการหลงได้ถี่ขึ้นก็เห็นมานะตัวตนได้มากขึ้นดีนะดูยากมานะ เห็นได้เก่งนะขอหลพ่อได้โปรดชี้หนะด้วยครับดูไปเรื่อยกิเลสอะไรกำลังมีบทบาทอยู่ในขณะนี้นะรู้ไวๆรู้ไปด้วยตัวกิเลสนี่แหละตัวทำลายความสงบสุขของจิตใจรู้ทันบ่อยๆยิ่งดีขอบพระคุณครับการนมัสการค่ะ ค, คืคอโยมเวลาดูกายดูจิตรู้สึกว่ามันเบา เหมือนก็เลยไม่แน่ใจว่าดูถูกต้องแล้วหรือยังจิตมันหลวพ่อจะถามไงดีนอ้อเดี๋ยวกัตอนนี้จิตมันเข้าบ้านไหมมันถึงฐานไหมคิดว่าไม่น่าจะถึงอะเ อ, อถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะมันจะเบาๆไปทั้งวันอะมันจะไปติดว่างๆเบาๆไปนะให้ย้อนมาดูกายให้เยอะขึ้นรู้สึกในตัวเองให้เยอะขึ้นพยายามย้อนกลับมารู้สึกตัว ปกติจะรู้สึกกายมากกว่าจิตเพราะว่ามันเคยชินนะค ะ, ะได้รู้สึกกายก็ได้แต่รู้สึกให้มันเข้มข้นกว่านี้หน่อยมันเบาไปแล้วแล้วรู้เฉยๆหรอคะต้องแบบช่วยช่วยช่วยมันพิจารณาก็ได้นะดูไปทีละส่วนเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองก็ะดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายอย่างนี้ก็ได้นะ หรือจะคิดเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาเลยนะี่กระตุ้นนะไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยอ่ะ่งที่ดูความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนี่ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าจงใจดูน้มันจะกลายเป็นเพ่งเพ่งแล้วจิตก็จะนิ่งนิ่งไปอีกพยายามเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกระดุกกะดิกให้อารมณ์มันหยาบขึ้นนิดหนึ่งอารมณ์มันละเอียดไปถละเอียดไปมันจะเบาเอยู่อย่างี้สังวันเลยดูเบาๆา กรหนุงกระหนิงไปเรื่อยคือเอะที่ความความสันสะเทือนนี่มันติดมาตอนที่ไปเข้าคอร์สหลวงพ่อรู้ไม่ต้องเอ่ยชื่อเราเคยเล่นมาทั้งนั้นแหละใจเบาไปออย่ำรู้สึกตัวให้มันกระชับกระเฉงขึ้นหน่อยเราไปดูอารมณ์ที่ละเอียดมากไปใจไม่เลยเบาไปมาดูของที่หยาบขึ้นหน่อยดูร่างกายหยาบหยาบนี้แหละกระตุต้นความรู้สึก ตื น, ต น, ต น, ตนอิริยาบถสี่อะค่ะได้ได้กระดุกกระดิกไว้หางานทํายิ่งดีนะกว่านบ้านไปแล้วเห็นร่างกายมันทํางานอะไรเงี้ยให้มันกลับมาอยู่กับอารมณ์ที่หยาบขึ้นหน่อยันนั้นโล่งละเอียดไปละเอียดแล้วไม่มีกําลัง<ค>นึกออกไหมจะเบาเบาเบาๆเบาๆกระดุกกระิงนนไปทั้งวันอะ่ะงั้นแล้วมันไม่ได้เกิดปัญญานะสบาย พยายามรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นนะรู้สึกหยาบหยารู้สึกในร่างกายเนี่ยสึกเยอะๆหน่อยคราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูรู้สึกว่าไอ้ตัวดีตัวที่มันสวยงามะะเห็นโลกดีๆเนี่ยมันมันลอกไปแต่ก่อนคือแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบมีโลกอุดมคติอยู่ใบหนึงอะคะ่ะอเรารู้สึกว่า ตอนนี้มันได้ลอกออกไปอะเออดีสิค่ะก็แต่ก่อนที่หลวงพ่อพูดถึงหมูกระดาษเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนเราที่เราทําขึ้นในหลายๆครั้งแต่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นตัวตนตัวใหญ่ที่มันปอกเปลือกออกไปอะค่ะดีสิค่ะแล้วแล้วก็วกคือกิเลสหมูเนี่ยมันแรงมากเลยภาษาแรงมากแต่ก่อนก็ใช้พุโทโธแต่ตอนนี้คือมันไม่อยู่ ก็เลยมาใช้สวดอิติปิโสแล้วก็เดินลมไปด้วยแล้วก็นับตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะค่ะถึงจะรุนแรงยังไงก็ไม่ให้ผิดศีลตั้งใจเงี้ยขอบพระคุณค่ ะ, <น>ะทีนี้ว่าสวดอิติปิโสแล้วนับไปด้วยอะค่ะอันนั้นทําเพื่ออะไรทําเพื่อเออเวลามันหลงไปเราจะรู้ทันเพราะว่าหลงหลงเยอะมากอะค่ะออได้ถ้างนั้นรู้วัตถุประสงค์ในการทําใช้ได้ค่ะ คือเวลาเราทํากรรมฐานนะเราจะทําอะไรจะทำเพื่ออะไรทําอย่างไรต้องชัดไม่ใช่ทำํทำๆไปเรื่อยๆทําเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยหลวงพ่อแต่ก่อนเป็นนะครูบาอาจารย์ให้หายใจก็าหายใจไปเรื่อยหายใจเพื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกท่านให้ดูจิตก็ดูไปเรื่อยเยดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกบางทีมันก็พลาดง่ายก็คืออยากให้หลวงพ่อให้คําแนะนําเพิ่มเติมอะคะ่ะ ประคองอยู่ไหมตอนนี้ประคองอยู่ค่ะจะทำไมต้องประคองมันเป็นเองค่ะมันมันมันปมันอยากดีหรือเปล่ามันอยากดีหรือเปล่าตอนนี้หนูว่าไม่ดีก็ได้นะคะเราว่านะจิตว่าอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าจิตอาจจะไม่ว่าจิตไม่ว่าหรอกถ้าจิตว่าแล้วจิตไม่เป็นอย่างนี้แต่เราแต่ก่อนนี้มันจะทนไม่ได้แต่ตอนนี้มันทนได้อะค่ะ มันทนแบบฝืนใจมันฝืนใจทนนะดูออกเปล่าฝืนใจทนที่ว่าเขาประคองอะเหรอคะไม่ใช่ฝืนใจทนว่าไม่ดีก็ได้ดูไม่ออกคะ่ะเดีไปหา ด, ดูไป <c oughs> <c oughs> คือใจเราไม่ได้เป็นกลางเรายังรักดีเกลียดชั่วอยู่นะเรายังไม่ได้เลิกหรอก เพียงแต่ว่าเรารู้เริ่มรู้ทันนะ้ว่าถ้าไปแทรกแซงมากเราก็ถูกเยอ ะ, ะนี่มันเริ่มฉลาดขึ้นมาส่วนนี้มันก็เลยแกล้งทําเป็นเหมือนไม่แทรกแซงยอมก็ได้ยอมก็ได้ย อ, ไดอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ยอมหรอกจริงจริงยังเกลียดชั่วอยู่ยังรักดีอยูนี่เราสอนแบบคนที่ถอดหมูกระดาษ ท, ทิ้งแล้วนะถึงสอนให้นะสาธุค่ะจะ ด, ดูเอาขอบพระคุณค่ะ หมดเวลาแล้วนะทุกคนต้องใช้เวลากลับบ้านนานขึ้นเพราะน้ำท่วมงั้นกลับได้แล้ว